การณียเมตสุตัหรือการณียเมตสุการณียมาทาุกสเรนะยันตังสันตังปทางอภิสเมจาสาโกอุชูจะสุหูชูจาสุวโจจาสมุตตานาติมานีสันตุสโกจะสุภโรจา อาปาเกจโยจะสัลลหุกาวุนตีสันตินริโยจะนิปโกจะอาปาคาพอกุเรสุอนานุคินโดนาจโคทางสมาจเรกินจีเยนาวินยูเะเรอุปาวเทยยุงสุขิโนวะเคมิโอฮุนตูซาเพสาตาบาวันโุสุกิตาตา เยเกจิพานผูตนติตาสาวาทาวราวาอนาวเสสาทีฆาวาเยมหันตาวามาชิมารสกาอนุกัตถราทีทาวาเยจะอาทิธาเยจะทูเรวาสันติอวิทูเรผูตาวาสัมเวีสีวาซาเพสตาบวัน s u สุกิตาตา นปโรปรังนิกุปเพธานาติมันเยธากาทจินังกินจีบยาโลสนาปติกสัญญานานยามันญาสะโทคาเมชยยามาตายาทานิยางปุนตัง อายุสาเอกโูตมนุรักเคเอวัมปิสาปโูเตสุมานาสัมบาวเยอปริมานังเมตัญจะสาพโรกัสมิงมานาสัมบาวเยอปริมาณังโอทังอโถจัติริยัญจาอสัมบาทังอเวรังอสะปะัง ทิทันจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิคตมิโทเหตังสติงอธิตเทยยพรมมะมเมตังวิหารังอิทมาหูทิเทนจะอนุปคัมมาสีลาวาทาัสเนนสัมปันโนคาเมสุวิเนเยยเคทังนหฮิชาทุขาเสัยยังปุนเรตีตี กรณียะเมตสุตังนิตตังมีสิระคาถาขันธปริฏวิรูปะเคหิเมเม αι ตังเมตังเอราปะเทหิเม αι, ชพยาปูตเตหิเมเม αι ตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจา อาปาทเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตัปะเถหิเมเมตังเมตังภโหปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทโกมามังจะตัปโกหิงสีมามังหิงสีพะโหปะโท สาเพสตาสเพปานาสาเพภูตาจะเกวลาสาเพภัตทานิปาสันตุมากินจิปาปมาคะมาอัปปมาโนพุโทโออัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโอ ปมาณวันตานีสิริงสปานีอหิวิชิกาสตปัติอุณนานาภีสราภูโมสิกาคาาเมรักขากาตาเมปริตตาปติกมรมตุภูตานีโสหังนโมภรควโตนโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธานังคันทปริตตคาถานิติตา มีทั้งหมดห้าคาถาอุเทตยันจากกมาเอกราชาฮริสวันโนปทวี ป, ปภาโสตังตังนามาซามีหริสวันนางปทวี ป, ปภาสังตายาจะโคตาวิงาเรมุทิวาสัง เยพรมนาเวทกคุสาภธรรมเมเตเมนะโมเตจะมปารยันตูนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยะอิมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยัญจะคุมาเอกราชาหาริสวรนโนปัวีปภาโสตั้งตังนามาจามีหาริสวรนางปัวีปภาสังตายจักขุตาวิหเรมุรัติง เยฺรมมนาเวทะกุสาปะธรรมีเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุพุธียานโมวิโมตานังนโมวิโมตียาอิมังโสปริตังตัวาโมโรวาสมะกาปิยีตีโมรัปปิตังนิติตังห้าพระถา